วิธีสละสันทัดที่เป็นนิสกีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์ชเวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันทัดผสมใหยไหมพืนนี้กระผมใช้ให้ทำเป็นนิสกีกระผมสละสันทัดนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติ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 นั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสันทัดผสมยยใยหม่พื้นนี้กระผมใช้ให้ทำํำเป็นนิสกีกระผมสละสันทัดพื้นนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัตพึงคืนสัรทัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าสันทัดพื้นนี้ของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลาย ถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้สันทัดพื้นนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งหอมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านครับสันทัดพืน้นนี้กระผมใช้ทำเป็นนิสกีกระผมสละสันทัดพื้นนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนสันทัดที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนสันทัดเพนนี้ให้แก่ท่าน